ข้อความน่ารู้จากพระตรัยปิฎก161กเดายเดือดร้อนอย่าให้จิตเดือดร้อนดูก่อนคฤหาบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนกอย่างนี้ว่าเมื่อกายของเราเดือดร้อนอยู่เมื่อกายของเราเดือดร้อนอยู่จิตของเราจะไม่เดือดร้อนดูก่อนครหาบดี ท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แหลข้อความจากพระพุทธภาษิตตรัสสอนคฤหบดีบิดานกุลมานบ162กพระอานนท์ตรัสรู้ธรรมเพราะฟังธรรมของใครท่านพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระมัณฑนีบุตรผู้มีนามวาปุล น, นะเป็นผู้มีอุปการะมากต่อข้าพเจ้าผู้บวชใหม่ท่านสั่งสอนข้าพเจ้าด้วยโอวาทนี้ว่าดูก่อนอานน์ผู้มีอายุความคิดว่าเรามีเราเป็นคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ย่อมมีเพราะอุ ป, ปาทานคือความยึดถือหามีเพราะอนุ ป, ปาทานความไม่ยึดถือไม่ เพราะยึดถืออะไรเล่าเพราะยึดถือรูปคือสิ่งที่ธาตุทั้งสี่ประชุมกันเป็นกายพร้อมทั้งลักษณะที่ปรากฏเพราะอาศัยธาตุสี่นั้นเพราะยึดถือเวทนาคือความสวยอารมณ์เพราะยึดถือสัญญาคือความจำได้หมายรู้เพราะยึดถือสังขารคือความคิดและเพราะยึดถือวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางตาหูเป็นต้น ดูก่อนอาหนนผู้มีอายุเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มผู้รักการแต่งตัวเมื่อเพ่งดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์ผองใสหรือในภาชนะน้ำอันใสพึงมองดูด้วยความยึดถือหามองดูด้วยความไม่ยึดถือไม่นี้ฉันใดความคิดว่าเรามีความเป็นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีเพราะความยึดถือ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหามีเพราะความไม่ยึดถือไม่ครั้นแล้วท่านได้ถามข้าพเจ้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงข้าพเจ้าตอบว่าไม่เที่ยงท่านจึงถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขข้าพเจ้าตอบว่าเป็นทุกข์ ท่านถามว่าสิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราข้าพเจ้าตอบว่าไม่ควรที่จะเห็นตามอย่างนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะเหตุ น, นั้นแหลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคต หรือปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือดีไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราเราม่ใช่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุผู้เห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัด ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดความรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ว่าความเกิดของเธอสิ้นแล้วพรหมจรรย์เป็นอันเธออยู่จบแล้วหน้าที่เป็นอันเธอทำเสร็จแล้วไม่มีหน้าที่อื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระมัตานีบุตรผู้มีนามว่าปุณณนะ เป็นผู้มีอุปการะมากต่อข้าพเจ้าผู้บวชใหม่ท่านสอนข้าพเจ้าด้วยโอวาสนี้อันหนึง่งข้าพเจ้าได้สดับพระธรรมเทศนานี้ของท่านพระปุณณมันตานีบุตรแล้วก็ได้ตรัสรู้ธรรมข้อความจากสังยุตตนิกายขันธวารวักสำหรับคำว่าพระมันตานีบุตรแปลตรงตัวว่า บุตรของนางมันตานี163ความน่ากินแงหน่ากินเป็นต้นสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณเวรุวนารามอันเป็นที่ให้เหยื่อแกกระแตใกล้กรุงราชคฤห์เช้าวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรนุ่งอันตราสาวกหรือสะบง และถือบาทและจีวรเข้าไปสู่กรุงราชครึเพื่อบินธบาตครั้นเที่ยวไปตามลำดับตรอกในกรุงราชครึ่แล้วก็นั่งผิงเชิญกำแพงแห่งใดแห่งหนึ่งฉันบินธบาตนั้นลำดับนั้นนางสุจิมุขีปริพาจิกาหรือนักบวชหญิงเข้าไปหาพระสาวรีบุตรแล้วถามว่าดูก่อนสมณนะท่านความนาบริโภคใช่หรือไม่ พระสารีบุตรตอบว่าดูก่อน้องหญิงเราไม่ได้ความหน้าบริโภคนางถามว่าดูก่อนสมณะถ้าอย่างนั้นท่านเหันหน้าบริโภคใช่หรือไม่ดูก่อน้องหญิงเราไม่ได้หงนหน้าบริโภคดูก่อนสมณะถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปตามทิศเฉียงบริโภคใช่หรือไม่ดูก่อน้องหญิง เราไม่ได้หันหน้าไปตามทิศเฉียงบริโภคดูก่อนสมณะถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปตามทิศใหญ่บริโภคใช่หรือไม่ดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้หันหน้าไปตามทิศใหญ่บริโภคดูก่อนสมณะเมื่อข้าพเจ้าถามท่านก็ปฏิเสธทั้งหมดถ้าอย่างนั้นท่านบริโภคอย่างไรดูก่อนน้องหญิงสมณะพรามบางพวก สำเร็จความเป็นอยู่คือครองชีวิตด้วยมิจฉาทิฐิด้วยติรชานวิชาคือวิชาดูที่ว่าตรงไหนดีเป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่าความหน้าบริโภคดูก่อนน้องหญิงสมณพราหมณ์บางพวกสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพด้วยติรชานวิชาคือวิชาดูดาวฤกษ์สมณพราหมณ์เหล่านี้ เรียกว่าแห่หน้าบริโภคดูก่อนน้องหญิงสมณพราหมณ์บางพวกสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพเพราะประกอบเนืองเนืองซึ่งการไปชักสื่อคือให้ชายหญิงเป็นสามีภริยากันสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่าหันไปตามทิศใหญ่บริโภคดูก่อนน้องหญิงสมณพราหมณ์บางพวกสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพ ด้วยติรชานวิชาคือวิชาดูลักษณะร่างกายสมณพราหม์เหล่านี้เรียกว่าหันหน้าไปตามทิศเฉียงบริโภคดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้สำเร็จความเป็นอยู่ด้วยมิจฉาชีพดังกล่าวนั้นเราสแสวงหาอาหารโดยธรรมครั้นสแสวงหาได้แล้วบริโภคลำดับนั้นนางสุจิมุขีบริพาชิกา เข้าไปสู่ถนนจากถนนสู่ทางสี่แยกจากทางสี่แยกเที่ยวบอกเหล่าอย่างนี้ว่าสมณะสักยะบุตรทั้งหลายสแสวงหาอาหารโดยธรรมสแสวงหาอาหารที่ไม่มีโทษท่านทั้งหลายจงถวายอาหารแก่สมณะสักยะบุตรทั้งหลายเถิดข้อความจากสังยุตตานิกายขันธวารวักสำหรับคำว่าน้องหญิง เป็นคําที่สมณะเรียกสตรีโดยทั่วไปถือเป็นคําเหมาะสมอัห น, นึง่งในการแปลข้อความตอนนี้ข้อความตอนใดซ้ำได้ตัดออกบ้างแต่คงได้ความอย่างเดิม164รพระพุทธเจ้าทรงประวารณาพระองค์ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนปราสาทของนางวิสาขามีคารมานดาในบุภารามพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันภิกษุ ส, สงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมประทับนั่งณที่กลางแจ้งเพื่อการปรวารณาในวันอุโบสถวันนั้นขึ้นสิบห้าค่ำขณะนั้นทรงเห็นภิกษุสงฆ์นิ่งอยู่ จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราประวรารณาแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะไม่ตำหนิการกระทําใดๆทางกายหรือทางวาจาของเราบ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรจึงลุกขึ้นจากอาสนะทาผ้าห่มเฉวียงบาข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า ขาแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมไม่ติเตียนการกระทาใดๆทางกายหรือวาจาของพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ทําให้เกิดมรรคาที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นผู้ให้กำเนิดมรรคาที่ยังไม่กำเนิดเป็นผู้บอกมรรคาที่ยังไม่มีผู้บอกเป็นผู้รู้รู้แจ้งซึ่งมรรคาเป็นผู้ฉลาดในมรรคา ค้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาวกทั้งหลายในขณะนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคาเป็นผู้มารวมกันในภายหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประวารณากับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงตำหนิการกระทำใดๆทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์บ้างหรือดูก่อนสาวรีบุตร เราไม่ติดเตียนการกระทำใดๆทางกายหรือทางวาจาของเธอดูก่อสาสรีบุตรเธอเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีปัญญาหนาแน่นเป็นผู้มีปัญญาเป็นเหตุให้ร่าเริงเป็นผู้มีปัญญาไวเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นผู้มีปัญญาชำระ ก, กิเลสดูก่อสาสรีบุตรเปรียบเหมือนเชษฐโอรส คือบุตรคนใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทำให้จักคือกงล้อที่พระบิดาหมุนแล้วให้หมุนตามไปได้โดยชอบฉันใดเธอก็ฉันนั้นย่อมยังธรรมจักรหมายถึงกงล้อคือธรรมะอันยอดเยี่ยมที่เราหมุนแล้วให้หมุนตามไปได้โดยชอบพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงตำหนิการกระทำใดๆทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์ก็ภิกษุทั้งหลายห้าร้อยรูปเหล่านี้เล่าพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงตำหนิการกระทำทางกายหรือทางวาจาบ้างหรือพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสาวริบุตรแม้ภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ก็ไม่มีการกระทำใดๆ ทางกายหรือวาจาที่เราจะตำหนดิดูก่อนสารีบุตรเพราะในภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ภิกษุหกสิบรูปได้วิชาสามภิกษุหกสิบรูปได้อภิญญาหกภิกษุหกสิบรูปเป็นอุพัโตพาควิมุตติคือผู้พ้นจากกิเลสโดยสองส่วนพ้นเพราะสมาธิและพ้นเพราะปัญญาภิกษุที่เหลือ เป็นปัญญาวิมุตต์คือผู้พ้นจากกิเลสเพราะปัญญาลำดับนั้นท่านพระวังคีตะลุกขึ้นจากอาสนะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญเชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนั้นย่อมทำให้ข้าพระองค์แจ่มแจ้งข้าแต่พระสุคตข้อนั้นย่อมทำให้ข้าพระองค์แจ่มแจ้ง ดูก่อนวังคีสะข้อนั้นจงแจ่มแจ้งเถิดสำหรับประโยคนี้เป็นจำนวนแสดงว่าพระวังคีสะคิดอะไรขึ้นมาได้จากพระพุทธดํารานั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์จึงตรัสเปิดโอกาสให้เล่าข้อคิดนั้นลำดับนั้นท่านกระวังคีสะได้กล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักด้วยคาถาหลายคาถา โดยย่อว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำภิกษุห้าร้อยรูปผู้ตัดเครื่องผูกคือกิเลสอันร้อยรัดได้ผู้ไม่มีทุกข์ผู้สิ้นความเกิดอีกแล้วผู้แสวงคุณอันประเสริฐได้มาประชุมกันแล้วโดยความบริสุทธิ์เปรียบเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิมีอมาตย์แวดล้อมสเสด็จไปโดยรอบแผ่นดินนี้อันมีมหาสมุทรเป็นที่สุดชั้นใด พระสาวกทั้งหลายผู้มีวิชาสามผู้ท ร, รมรรตยูให้เสื่อมยอมนั่งล้อมพระบรมศาสดาผู้ชนะสงครามผู้เปรียบเหมือนในกองเกวียนผู้ยอดเยี่ยมฉะนั้นสาวกเหล่านั้นทั้งหมดเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคมนถินย่อมไม่มีในที่นี้ข้าพระเจ้าขอไหว้พระผู้อาทิตยวงศ์ผู้ข้าเจ้ซึ่งลูกสรคือตันหาพระองค์นั้น ข้อความจากปวารณาสูตรสังยุตติกายสข้าทวักหมายเหตุพระสูตรนี้แสดงตัวอย่างอันดีที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุทรงว่ากล่าวชี้ข้อที่ผิดพลาดของพระองค์ได้อันเป็นวิธีการที่ไม่เปิดโอกาสให้ปกปิดความเสียหายใดๆไว้ทั้งๆที่พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ทรงทำพระองค์เป็นแบบอย่าง คำกล่าวของท่านพระวังกีสะในตอนหลังเป็นการกล่าวด้วยสำนวนกวีซึ่งท่านพระวังกีสะเป็นผู้เชี่ยวชาญและสำหรับคำว่าโดยความบริสุทธิ์ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อมาประชุมกันแล้วจะบริสุทธิ์ขึ้นแต่เป็นวินัยกรรมที่ภิกษุทุกรูปทั้งพระอรหันต์ทั้งที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์จะต้องกระทำทุกกึ่งเดือนโดยไม่มีการยกเว้น เราะเกี่ยวด้วยการบริหารหมู่คณะเป็นแต่ว่าถ้าภิกษุที่ประชุมกันเป็นพระอรหันต์ล้วนอุโบสถนั้นก็เรียกวิสุทธิอุโบสถปวารณานั้นก็เรียกวิสุทธิปวารณา